วันนี้หลายท่านก็จะกลับบ้าน้นะเนาะจากมาบ้านจากบ้านมาหลายวั น, น <c oughs> อยากกลับหรือเปล่า <c oughs> ไม่อยากกลับก็อยู่ต่อได้นะ <c oughs> ให้เหมือนที่นี่เป็นบ้านนะอีกหลังหนึ่งนะมามาเมื่อไหรก็ได้เนาะ <c oughs> แต่บ้านนี้ไม่มีใครเป็นเจ้าของนะพร<ฟ> ะ, ะก็เป็นเหมือนแค่ผู้อยู่อาศัยเหมือนกันนะเนี่ยคนที่อยู่ในภาษศาหรือว่าอยู่หลายเดือนไหนก็เป็นเพียงแค่ผู้อาศัยเหมือนกันนะอืมเป็นบ้านที่ไม่มีใครเป็นเจ้าของที่แท้จริงนะเราเองก็ถือว่าเป็นผู้อาศัยนะ เราโยมเองก็สามารถมาอาศัยได้นะอาศัยได้นะเพราะว่าการที่มีวัดหรือที่ปฏิบัติธรรมอันนี้ น, นะมันทำเพื่อเพื่อส่วนรวมนะไม่ใช่ทําเพื่อประโยชน์ส่วนตัวคือประโยชน์ส่วนรวมก็คือประโยชน์เพื่อความสงบสุขนะเพื่อความไม่ทุกข์นะของ ทุกๆชีวิตเนาะนี่คือประโยชน์ที่มาว่า the ัดใดๆแห่งก็ก็ตั้งใจเป็นทำแบบนั้นนะที่นี่เองก็ตั้งใจว่าเออเป็นเหมือนสถานที่เพื่อให้คนได้ได้มาฝึกฝนตนนะได้มาทําสิ่งดีๆนะมามาเรียนรู้จากตัวเราเองเรียนรู้จกักแล้วก็ฝึกฝนวิธีการที่จะออกจากทุกข์ให้มากที่สุดเนี่ยคือ มันเป็นสถานที่ที่เหมือนให้ได้มาใช้ชีวิตนะเพื่อเพื่อการนี้นะโดยเฉพาะนะนั้นคนที่สนใจคนที่ตั้งใจที่จะฝึกฝนตัวเราเองให้ออกจากความทุกข์ให้มากที่สุดนะทำประโยชน์นะต่อตัวเราเองแล้วก็ผู้อื่นให้มากที่สุดก็ก็มาใช้ได้นะตลอดเวลานะถ้ามันยังมีอยู่ นะแต่ที่จริงการฝึกฝนตัวเราเองจริงมันก็มันอยู่ที่ที่ตัวเราเนาะนะสถานที่ก็เหมือนเป็นที่ ท, ที่ช่วยให้เราได้ได้เกิดนะมีเวลานะหรือว่ามีโอกาสหรือว่ามันสัปเะยะนะล่มรื่นมีกัลยาณมิตรในการฝึกฝนตนนะ หรือมีคนให้ได้ถามบ้างนะถ้าติดขัดสงสัยเนี่ยมันก็จะช่วยเราแต่การฝึกฝนตัวเราเองนะมันคือมันเป็นสิ่งที่เราต้องทำทุกที่นะคือเราจะไปที่ไหนจะอยู่ที่ไหนมันก็เป็นเรื่องที่จำเป็นต้องต้องทำในทุกที่นะโดยเฉพาะนะหลายท่านต้องกลับไปที่บ้านนะหรือกลับไปทำงานนะ หรือที่จริงแม้แต่พระแม่ชีหรือโยมที่อยู่ที่นี่ก็ไม่ต่างกันนะนะก็มีงานนะมีการเกี่ยวข้องกับคนนะหลายคนนะนะมีสิ่งที่ต้องแก้ไขปัญหานะทำให้มันดีขึ้นอนะไรต่างๆนะก็ไม่ต่างจากการที่โยมกลับไปอยู่กับครอบครัวหรือว่ากลับไปทางานทางโลกนะ มันก็เป็นสิ่งที่มันเหมือนโรคความเป็นจริงเนาะนะโรคความเป็นจริงที่เราต้องเผชิญนะต้องอยู่กับเข้าให้ได้นะอันเนี้ก็เป็นสิ่งที่เหมือนเป็นบททดสอบนะอะ่กรรมฐานของเรานะกรรมฐานที่เราได้ฝึกฝนนะหลายวันหลายเดือนหลายปีนะอาจจะขาดช่วงบ้าง <c oughs> อาจจะต่อเนื่องบ้างเียเนานะแต่ตรงนี้แหละ มันจะเป็นกรรมพมันจะเป็นกรรมฐานที่เราจะต้องไปฝึกฝนต่อนะในชีวิตประจำวันจริงๆของเราเนะนะเราเองต้องเรียกว่าต้องยอมรับเลยนะไม่ใช่แค่ว่าต้องทาใจนะทาใจนี่มันเหมือนฝืนๆทั้งในนะต้องเรียกว่าต้องพยายามยอมรับมันให้ได้ว่าเนี่ยของจริงนะของจริงที่เราต้อง อยู่กับมันให้ได้นะอืมต้องฝึกฝนนะกับชีวิตจริงของเราให้ได้นะแม้บางทีมันก็ยากนะเวลาเราอนะ่จะมีสตินะหรือรู้ทันความโกรธนะความไม่พอใจเวลาต้องทำงานกับคนร่วมงานที่มันเคยมีปัญหากันนะนะหรือว่า จิตนิสัยมันแตกต่างกันมากนะหรือว่าเราต้องกลับไปเจอนะนะ่คนในครอบครัวที่บางทีมันก็ชวนให้เราหงุดหงิดง่ายนะชวนให้เราขาดสติง่ายนะเพราะว่าบางทีมันก็อยู่กับปัจจุบันยากเนาะเพราะมันมีอดีตกันมานานนะหลาย1 0บปีนะแบบนี้มันก็มีอดีตมาเยอะนะ แล้วมันก็มีความกังวลว่าต้องอยู่ด้วยกันอีกจนตายไปข้างหนึ่งเลยเนะี่ยหรือว่าอีกหลายสิบปีเลนะี่ยมันก็จะปรุงแต่งเยอะนะเพราะว่ามันจะดึงเอาเรื่องอดีตขึ้นมาปรุงด้วยหรือว่ากังวลในอนาคตจะทำยังไงมาถึงจะไม่เกิดอีกนะจะได้ไม่ต้องทุกข์แบบนี้อีกจะได้ไม่ต้องโกรธกันแบบนี้อีกนะมันก็เลยคิดมากนะดึงเรื่องอดีตมา มาผสมลงด้วยเอาความกังวลหรือว่าเอาความไม่อยากให้มันเป็นแบบนั้นอีกนะมาผสมลงด้วยนะมันก็เลยทําให้อ่มันเป็นความทุกข์ที่มันมากนะแต่จริงถ้าเราลองตัดอดีตตัดอนาคตนะให้วางไว้ก่อนนะเอาแค่ปัจจุบันเนะี่ยบางทีบางเรื่องที่ที่เรากระทบกระทั่งกันนะถ้าเอาแค่ปัจจุบันจริงแหล บางทีเป็นเรื่องเล็กนะแต่เพราะเราเอาเรื่องอดีตเรื่องอนาคตมาผสมลงด้วยเนี่ยมันเลยเป็นเรื่องใหญ่นะแต่ถ้าเราเอาแค่ปัจจุบันดูปัจจุบันให้ดีที่สุดนะถ้าจะมีปัญหาก็แก้ปัญหาเน้นที่ปัจจุบันเนี่ยให้ดีที่สุดนะปัญหามันจะได้ไม่ใหญ่เกินไปนะบางทีเราเอาปัญหาจากอดีตจากอนาคตหรืออนาคตที่คิดไว้นะ ที่อาจจะไม่เป็นอย่างที่คิดก็ได้นะหรืออดีตมันก็ผ่านไปแล้วนะถ้าเราเอาปัจจุบันเป็นที่ตั้งเนี่ยเราก็จะมันก็จะทำให้จิตใจมันมันไม่ทุกข์มากเท่าเดิมนะแล้วก็เมื่อจิตใจมันดีนะค่อยไปคิดวางแผนหรือพูดคุยนะเรื่องป้องกันในอนาคตจะดีกว่านะแต่ถ้าเมื่อใดที่จิตใจมัน ยังวุ่นวายยังโกรธยังไม่พอใจเยอะเรามาคิดพูดวางแผนการแก้ปัญหาที่อนาคตนะมันมันจะใช้อารมณ์เยอะกว่าเหตุผลนะใช้เรียกว่าหรือบางทีมันมีอคตนะิมากกว่าที่เราจะพูดกันด้วยการเปิดใจนะหรือว่าวางใจกันจริงๆเลยเนะี่ย ไม่ใช่ว่าแปลว่าไม่ทำนะทำอยู่แต่รอให้มันสงบกนนั้นสักหน่อยนะแล้วค่อยมาทำมันจะดีกว่าเพราะว่ามม่งันมันจะเอาอดีตมาผสมรงด้วยหรือไม่งันมันจะปรุงแต่งอนาคตนะใหญ่โตนะไม่รู้มันจะเกิดจริงหรือเปล่าไม่มีใครรู้หรอกอนาคตแต่บางทีเวลาเรามีอคติหรือมีความโกรธบางทีความคิดมันจะดุนแดงนะมันจะใหญ่โตนะทางที่จะไม่ ก็มีใครรู้ว่ามันจะเป็นขนาดนั้นหรือเปล่าอันนี้คือเป็นสิ่งที่ถ้าเราฝึกอยู่กับปัจจุบันให้ให้ได้มากที่สุดนะมันก็จะลดความทุกข์ใจนะปัญหาก็คือปัญหาแต่ก็ไม่จะเป็นต้องไปทุกข์กับปัญหานะมันก็จะมองเป็นแบบนี้ได้นะคือเนี่ยก็ต้องฝึกนะต้องเรียกว่าต้องยอมรับเลยว่าสถานการณ์ในชีวิตจริงนะในแต่ละคน ไม่เหมือนกันเนเราจะไปโทษเวรโทษกรรมไม่ได้นะอืมอืมโทษบุญโทษกุศลโทษอะไรต่างๆไม่ได้หรอกมันแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะกรรมใครกรรมมันนะออต้องเรียกว่าต้องยอมรับผลของกรรมที่เคยทำในอดีตนะแต่ก็ต้องฝึกนะให้มีกรรมฐานอยู่กับผลที่มันเกิดขึ้นแล้วในตอนนี้ให้ได้ไม่ต้องไป สงสัยหาเหตุหาผลทำไมนะทำไมต้องเกิดเรื่องแบบนี้กับเราทำไมต้องเจอปัญหาแบบนี้ทำไมมันไม่สะดวกสบายทำไมบุญกุศลไม่ช่วยเราเลยนะยิ่งทำไมมากนะยิ่งเวียนหัวมากนะยิ่งเป็นทุกมากนะแต่ถ้าจะเปลี่ยนคำถามสักหน่อยก็คือเออจะทำยังไรนะเราถึงจะอยู่กับปัญหานี้ได้ ทำอย่างไรเราถึงจะนะวางใจหรือเป็นทุกข์กับปัญหานี้ให้น้อยที่สุดเนี่ยนะนะี่ทเปลี่ยนจากคําถามที่ว่าทําไมนะเนะมาถามตัวเองว่าเราจะทําอย่างไรนะเราถึงจะอยู่กับสถานการณ์นี้ได้ถึงจะแก้ปัญหาสถานการณ์นี้ได้โดยที่ใจนะเป็นทุกข์น้อยที่สุดนะหรือทําอย่างไรมันถึงจะเกิดปัญญานะในสถานการณ์นั้นๆนั้นนะ เนี่ยคือถ้าเรากลับมาถามตัวเราเองนะมันจะกลายเป็นเริ่มต้นที่ตัวเราเองเริ่มต้นว่าเราจะทําอย่างไรนะกลับมาเริ่มต้นดูตัวเองนะแก้ไขที่ตัวเราเองนะทําที่ตัวเราเองก่อนแต่คําถามําว่าทําไมเนี่ยมันเหมือนไปไปมองที่คนอื่นหรือว่าปรากฏการณ์ข้างนอกเนาะอซึ่งเราไปสงสัยที่ข้างนอกแล้วบางทีมันก็จะ ไปคิดหาคําตอบหาเหตุผลจากข้างนอกแล้วมันก็อยากจะไปแก้ที่ข้างนอกแก้ที่คนอื่นแก้ที่สิ่งแวด้อมแก้ที่อะไรเยอะแยะมากมายเวลาเราถามว่าทําไมมันจะมันจะสงสัยแล้วก็คําตอบก็ไม่ค่อยชัดเจนนะแล้วก็มันบางทีมักอยากจะไปแก้ข้างนอกนะแต่ถ้าเราถามว่าเราจะทําอย่างไรเนี่ยมันจะกลับมาตัวตัวเราเอง แล้วก็มาเริ่มต้นที่แก้ที่ตัวเราเองนะอันนี้มันเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะเวลานักปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องกลับมาดูตัวเราเองเนะ น, นี่ยนะอืมตอนไหนขาดสติก็อาจจะถามตัวเองแบบนี้แหละมันจะได้สติขึ้นมาบ้างนะพอถ้าเราดูตัวเราเองได้ละเราจะตะหนักรู้ว่าสภาวะอารมณ์ตอนเนี้ยมันเป็นแบบไหนนะมันพร้อมที่จะไปแก้ปัญหาหรือ ย, ยังนะยังไม่พร้อมก็ มาแก้ใจของเราก่อนนะแก้ใจให้มันจากใจที่ขาดสตนะิจากใจที่โกรธจากใจที่โลภจากใจที่หลงนะจากใจที่ทุกขนะ์มาใช้สติเป็นตัวดูตัวรู้ตัวแก้บ้างหรือบางครั้งสติไม่พอนะบางทีวุ่นวายมากเครียดมากถ้าใครพอทำสมาธิได้ก็ทำบ้างก็ได้นะบางที จิตมันวุ่นวายมันทุกข์มากนะถ้าใครพอทําสมาธิได้ก็ทําให้มันได้พักสักหน่อยนะสงบสักหน่อยนะมันจะได้รู้สึกเออมีเรี่ยวมีแรงแล้วก็มาเจริญสติต่อแบบนี้ก็ได้นะอืหรือใคร ส, สติก็ไม่ไหวนะสมาธิไม่ไหวออกไปซักหน่อยดีกว่านะอออกไปเดินเล่นที่สวนสาธารณะนะออกไปหรือว่า ขอไปนอนสักหน่อยก่อนนะยังไม่คิดอะไรขอไปนอนพักให้มันหายเหนื่อยก่อนแบบนี้ก็ได้คือถ้ามันไม่ไหวก็ปีกมาก่อนนะปีกมาทําสิ่งที่เออเป็นกุศลนะสักหน่อยหรือปีกมาพักผ่อนนะหลีกออกจากความวุ่นวายตอนนะั้นหน่อยนะมันจะได้ตั้งหลักก็ได้นะอันนี้เหมือนเป็นเกียร์ถอยนิดนึงนะแต่ถอยเพื่อมาตั้งหลักนะไม่ใช่ถอยเพื่อจะหนี ต, ต้องจำไว้นะคือการที่เร า, เ, าเราปรับมาใช้สมาธิก็ดีหรือปรับมาแบบมาพักผ่อนอะไรก็ดีนะมาเหมือนเราปรับเพื่อกลับมาตั้งหลักนะตั้งหลักนะแล้วก็เมื่อมัพร้อมล้วก็กลับเข้าไปไปเชิญนะไม่ใช่ว่าเราจะหนีไม่อยากเจอแล้วไม่อยากอยู่ก็แล้วอะไรนะเนะี่ยนี่คือเราต้องต้องทำใจแบบนี้ให้ได้เวลาเราอยู่กับโลกนะ อีกส่วนหนึ่งที่อาจามาว่าก็สำคัญนะอืมคือเราเองต้องฝึกมองผู้คนต่างๆนะด้วยความมีเมตตาด้วยความปรารถนาดีกับผู้คนนะอืมคือมองด้วยความเป็นมิตร แ, แล้วก็ปรารถนาที่อยากจะให้เขาได้มีความทุกข์น้อยลงเหมือนกับเราแนะอยากให้เขาได้มีความสุขมากขึ้นนะอยากให้เขาได้เข้าใจธรรมะมากขึ้นนะ คือจะช่วยได้มากนะ้อยนาดไหนก็เป็นอีกเรื่องนึงนะแต่ให้จิตมองด้วยความปรารถนาดีไว้ก่อนนะมันจะมีแต่มิตรนะไม่มีศัตรูแม้คนที่ว่าเราแม้คนที่ทำร้ายเรานะเราก็ไม่ได้มองเขาเป็นศัตรูน ะ, เ, ะเราก็ยังมีความปรารถนาดีต่อเขาแต่โอเคนะบางคนยังไม่ฟังเราเราก็ก็ยังไม่ต้องเบอะไรกับเขานะแต่จิตนะ ยังมีความปัถนาดีต่อเขาอยู่ไม่ได้โกรธเขาไม่ได้เกลียดเขาเนะ่ยเราต้องฝึกตัวเองให้เป็นแบบนี้นะมันจะทําให้ถ้าจิตเรามีความปัถนาดีแบบนี้เป็นที่ตั้งนะความทุกข์ก็จะเข้ามาได้ได้น้อยได้น้อยกว่าคนที่มีจิตที่ปัต narrai นะความโกรธก็เหมือนกันนะความโกรธก็จะตั้งได้ไม่นาน แต่ถ้าเราเกลียดเขาเนะี่ยมองเขาเป็นศัตรูเนี่ยความโกรธเนี่ยมันเหมือนมันชอบเลยมันชอบนะเหมือนกับดินที่เป็นอาหารของพืชอย่างเดียนะมันจะโตงามมากนะแต่ถ้าจิตที่ปรารถนาดีนะมันจะมันจะเป็นอาหารของของกเลเยดได้น้อยมากนะเพราะว่าเราก็พอเราจะดึกได้ว่าเออเนะ โกรธเขาทำไมนะอะไรนะาทั้งที่บางคนก็เป็นคนในครอบครัวเรานะก็มีความปรารถนาดีความรักนะหรือเป็นญาติพี่น้องกันเนี่ยมันก็ต้องอยู่ด้วยกันนะก็พอปรารถนาดีต่อกั น, กนแล้วมันก็จะวางความโกรธวางความทุกข์ไปได้ง่ายนะนั้นจิตที่ปรารถนาดีนะมีความรักความเมตตานะมีความอยากให้เขา พ้นจากความทุกข์นะมีความอยากให้เขามีความสุขนะมีความอยากให้เขาได้มีธรรม ะ, จะเจริญในธรรมมากขึ้นเนะ่ยถ้าเราเอาตัวเนี้ยเป็นที่ตั้งของจิตนะมันจะทำให้เราอยู่กับคนอื่นได้เรียกว่าแบบไม่มีไม่มีใครเป็นศัตรูเรานะแต่เขาจะเป็นศัตรูกับเราหรือเปล่าเป็นเรื่องของเขานะอืมแต่เราไม่เป็นศัตรูกับเขานะเราไม่เกลียดเขาเนะ เนะี่ยอาจจะหุดหงิดบ้างนะแต่ไม่ได้มองกันได้ความเป็นศัตนระูเนี่ยมันก็มันก็จะดีมากนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ถ้าเราจะเดินในธรรมมากขึ้นมันก็จะส่งเสริมต่อการเจริญสติของเรานะจะเดินปัญญาของเราไปด้วยนะเพราะมันจะทำให้จิตมันอ่อนนะจิตอ่อนโยนนะจิตนุ่มนวล น, นะจิตไม่แข็งกระด้างนะ จิต ท, ที่มีเมตตากรุณาเนี่ยมันจะช่วยให้เรามองสิ่งต่างๆในแง่บวกได้ได้มากขึ้นแม้จะอยู่ในสถานการณ์ที่เลวร้ายนะหรือว่ามีปัญหานะแต่บางทีมันก็สามารถยิ้มได้บ้างนะอืมเวลาเราป่วยนะบางทีมันก็มีความทุกข์ของกายเยอะหรือมีสิ่งที่ต้องวุ่นวายแก้ไขยเยอะนะ แต่ถ้าเรามีเมตตากรุณานะจิตมันอ่อนโยนเนี่ยอืมบางทีมันก็ทำให้เราเห็นว่าเราป่วยนะแต่ก็ทำให้เราได้เห็นว่าเออ ม, มีคนที่ห่วงใยเรานะกี่คนนะเขาช่วยเหลือเราอย่างไรบ้างแบบนี้เนาะเห็นความดีความงามของหลายคนนะที่ที่คอยช่วยเหลือเรานะแต่ถ้าจิตเราลบนะ ทำไมคนนั้นไม่มาทำไมคนนี้ไม่ช่วยนะมันก็จะทั้งทั้งที่จริงโลกความไม่จริงก็มีทั้งสองแบบนั่นแหละนะคือมีคนทั้งช่วยเรามีคนทั้งไม่ช่วยเรานะแต่ถ้าจิตมันลบเนะี่ยมันจะมองไปคิดแต่คนที่ไม่มาช่วยแต่ถ้าจิตมันบวกนะก็จะมองแต่คนที่มาช่วยคนที่ไม่มาช่วยก็เรื่องของเขานมันก็จะมีความสุขได้ง่ายขึ้นๆๆมีความสุขมีการปล่อยวางได้ง่ายขึ้น นี่คือมันก็จะช่วยทำให้เราเออแม้ตอนนั้นร่างกายมันเป็นทุกข์นะแต่จิตใจก็สามารถที่จะพบความสุขได้นะมองเห็นความรักนะจากคนในครอบครัวที่ที่ดูแลซึ่งกันและกันนะมองเห็นเพื่อนที่มาช่วยดูแลเราแม้อาจจะมีเพื่อนหลายคนที่ไม่ได้มาช่วยมาเยี่ยมนะก็ไม่เป็นไรนะเนี่ยเราก็จะมีความสุขได้นะ หรือก็มองนะถ้ามองแบบสุขแบบมองแง่บวกจริงๆนะอย่างหลวงพ่อคำเขียนต้องบอกสนุกป่วยนะคือป่วยมันก็ดีเหมือนกันนะสนุกป่วยคือตอนไม่ป่วยเนี่ยต้องทํางานเยอะนะตอนป่วยเนี่ยได้พักเต็มที่เลยไม่มีใครมาใช้งานนะคือเหมือนก็มองเป็นแง่หายใจไม่ได้นะก็ยังสนุกได้นะ ยังสนุกในการแหลมลมน้อยๆ น, นะภาษาของพ่อนะมันหายใจปกติไม่ได้ก็แหลมลมให้มันค่อยๆลงเข้าไปในนหลอดลมน ะ, ะนะอะไรเนี้ยแหลมลมเข้า ล, ล, ลมออกมาเยนยเนาะมันก็สนุกนะหรือป่วยมาก็เห็นของพ่อนะบางทีก็อนอนกระดิกเท้านะ่ะอยู่บนเตียงเลยเนะ่ยเนาคุยไม่ได้อ่ะไม่เป็นไรนะ ก็นอนกระดิกเท้าเล่นๆไปนะตอนไหนดับ ก, ก็ก็พักไปนะตอนไหนตื่นก็นอนกระดิกเท้าของท่านไปนะก็สนุกในการอยู่กับความป่วยได้นะอันนี้คือจิตที่ถ้ามองในแง่บวกจริงมันก็ไม่มีอะไรที่จะทำให้เป็นทุกข์ได้นะแล้วถ้าจิตอย่างที่ว่ามันจะมีมีสติมีเมตตานะ อยู่ด้วยกันนะยังมีตัวอย่างหนึ่งที่เอสมารู้สึกว่าเออคนที่มีธรรมะเนี่ยท่านทำได้ทั้งเรียกว่าทำให้จิตใจท่านไม่ทุกข์แล้วก็แล้วก็แบบไม่โกรธไม่เกลียดคนที่ทำร้ายตัวท่านด้วยนะมีสมัยที่คอมมิวนิสต์นะปกครองประเทศจีนแล้วก็มียุคยุคที่เรียกว่ายุค ปฏิวัติวัฒนธรรมเนา ะ, ะจะมีแบบการเรียกว่าจับจ้องร้ายหรือว่าทำร้ายนะอะไรที่เป็นดัชทิความเชื่อศาสนาเยอะมากนซึ่งศาสนาพุทธก็แต่ก่อนก็เติบโตในเมืองจีนเยอะนะพอช่วงปฏิวัติวัฒนธรรมเนี่ยก็เรียกว่าถูกจับตาหรือว่าถูกทำกวาดรางเยอะเหมือนกันนะ ก็มีหลวงพ่ออยู่รูปหนึ่งนะท่านมาจะอาจจะออกเสียงแบบภาษาจีนไม่ค่อยถูงนะแบบหลวงพ่อซื่อยุ่นนะประมาณนะท่านก็เป็นพระที่ที่มีคนเคารพนับถือเยอะนะแล้วก็คอมมินิตก็ไปส่งทหารนะไปดูแลว่าท่านคือเขาไม่อยากให้สอนธรรมะเนาะเนะพราะเขาคิดว่าธรรมะมันขัด ความสงบสุขของสังคมหรือว่าอาจจะทำให้คนหลงงมงายอะไรประมาณนี้เขาคงคิดว่าศาสนานนสอนให้คนงมงายนะพอที่คนไม่เชื่อสิ่งที่มันที่เขาอาจจะขัดกับอุดมคติของเขาอะไรประมาณนั้ น, นก็ประมาณว่าไปควบคุมหลวงพ่อควบคุมวัดไม่ให้สอนญาติโยมอะไรต่างๆก็ส่งทหารไปประจำ ทหารส่วนใหญ่ก็เป็นทหารเกณฑ์ทหารอาที่ว่าใหม่ๆบ้างนะก็เหมือนคนทั่วไปแหละนะ่นะทหารบางทีก็กินเหล้าเมายานะอารมณ์ร้อนแบนะี้เนาะก็ไม่ใช่ทุกคนนะแต่มันก็มีวันนึงนะอ่ะก็ทหารที่ไปเฝ้าวัดของท่านนะก็ไปเมาเหล้านะกลับมาก็เนี่ยแหละอารมณ์ร้ายนะก็คงไม่รู้ยังไงนะก็ไป ก็เลยพากันไปดุมทำร้ายหลวงพ่อนทำร้ายหลวงพ่อแบบสาหัสปางตายเลยนะแบบพอตอนเช้านะลูกศิษย์ลูกศิษย์ก็มาเห็นหลวงพ่อแบบนอนจมกองเลือดนะก็เลยรีบพากันส่งโรงพยาบาลไปถึงโรงพยาบาลก็แบบอาการด้อยแล้วหมอก็ประมาณว่าเหมือนโอกาสที่จะเสียชีวิตอะมากกว่าโอกาสที่จะรอดเนาะ ือลูกศิษย์หลายคนก็เลยปรึกษากันนะลูกศิษย์ส่วนใหญ่ก็ประมาณว่าก็ท่านก็แก่แล้วนะแล้วก็ถูกทําร้ายขนาดนี้แล้วนะหมอก็ว่าไม่น่าจะรอดล้วก็ไม่ต้องยื้อชีวิตท่านหรอกนะก็ปล่อยให้ท่านไปเอดีกว่าแต่ลูกศิษย์ก็สังเกตหลวงพ่อว่าเหมือนท่านพยายามที่จะมีชีวิตอยู่อะะ เราคงคิดว่าแบบผู้ที่ปฏิบัติธรรมดีนะพอพอร่างกายจะแบบร่างกายมันจะแตกดับเยอะแล้วแบบก็คือปล่อยเลยนะปล่อยให้สังขารร่างกายมันไปเลยนะแบบนะี้ไม่ต้องมายืมอะไรไม่ต้องมาฟืนนะทูกสิษย์ก็บอกหลวงพ่อว่านะหลวงพ่อไม่ต้องฝืนดอกนะอยู่ไปก็ก็ทําอะไรไม่ได้นะตอนนี้ทาหารเข้ามาคุมคอมมินิสต์เข้ามาคุมนะ ไปเถอะหลวงพ่อแก่แล้วนะประมาณคงพูดประมาณนี้ให้หลวงพ่อปล่อยวางไปสบายไปสงบนะแต่ก็เห็นปฏิกิริยาหลวงพ่อท่านแบบพยายามที่จะมีชีวิตอะ่ะจนบางคนก็เกิดความดังเวสงสัยเกิดความเอกใจทำไมหลวงพ่อไม่ปล่อยวางร่างกายนะมันทรมาร์ขนาดนี้ปล่อยไปเลยนะทาไมหลวงพ่อ ดูเหมือนพยายามที่จะต้องมีชีวิตให้ได้ประมาณนะหลวงพ่อก็พยายามเป็นแบบแบบนั้นแบบนั้นจริงๆนะพยายามที่จะกลับมามีชีวิตให้ได้นะเจนทั้งมันก็ดีขึ้นดีขึ้นอ่นะก็ฟื้นขึ้นมานะฟื้นขึ้นมาก็พอพอสื่อสารอะไรได้นะอืมลูกศิษย์ก็แบบที่เก็บความสงสัยหรือว่าอืมความดังเรในตัวหลวงพ่อแล้วก็แบบ ก็อดที่จะถามท่านไม่ได้ทําไมสถานการณ์ที่หลวงพ่อตอนใกล้จะตายดอแรกนะฮะทไมหลวงพ่อไม่ปล่อยวางธาตุขันไปเลยนะทำไมไม่ตายไปเลยน ะ, ะมายื้อแบบนี้มันเหมือนทรามานร่างกายแล้วก็มันเหมือ น, มนเหมือนห่วงกับร่างกายเนาะอะไรประมาณนะี้อาจจะพูดประมาณนะี้หลวงพ่อท่านก็คงได้แต่ยิ้มยิ้มในความในความเข้าใจของลูกศิษย์เนาะ แต่จริงท่านก็บอกว่าประมาณว่าคือที่ท่านไม่ได้ยังไม่อยากจะตายในตอนนั้นนะเพราะว่าไม่อยากให้คนที่ทำร้ายท่านอะ่ะมันต้องตกนรกคือถ้าทำร้ายนะผู้ที่ประพฤติปฏิบัติดีจนทั่งเสียชีวิตนะมันเขาก็ตกนรกได้เนะี้ยท่านก็ท่านก็ให้เหตุผลประมาณนี้นะ จนกรทางท่านฟื้นขึ้นมานะพวกคนที่ทำลายท่านนะก็เหมือนสำนึกผิดนะก็สานึกผิดนะมาขอเข้ามาโทษท่านอะไรนะแล้วก็แบบคล้ายก็แบบศรัทธาในตัวท่านศรัทธาในศาสนามากขึ้นนะเหมือนก็คือท่านมีชีวิตอยู่เพื่อจะคือปรารถนาดีต่อเขาอะให้เขาไม่ต้องไปรับโทษในนรกก็ดีหรือว่า ไม่ต้องต้องไปสํานึกผิดทีหลังแล้วก็แก้ไขไม่ได้ก็ดีแต่ท่านให้เขาได้พ้นจากความทุกข์ทางใจนะได้มากขึ้นแล้วก็เกิดการสํานึกผิดได้ได้เร็วขึ้นแล้วก็แก้ไขความความผิดของตัวเองได้ได้เร็วขึ้นเลย น, นะคือมันเป็นความเมตตาต่อแม้แต่แม้แต่ต่อกระทั่งคนที่ทําร้ายตัวท่านเองนะ ท่านก็ยังสามารถเมตตาปรารถนาดีให้เขาอยากให้เขามีความทุกข์น้อยลงนะอยากให้เขาได้เรียกว่าไม่ต้องจมกับความผิดของตัวเขาเนี่ยตลอดไปแบบนี้เนาะมันเปน็นเป็นความเมตตาที่มันไม่มีประมาณนะไม่ใช่เมตตาต่อคนที่ปรารถนาดีต่อเราเท่านั้นนะแม้กระทั่งคนที่ไม่ปรารถนาดีต่อเราคนที่ทำร้ายเรานะ ท่านก็ยังเมตตาได้มันไม่มันไม่ใช่เป็นการที่เรียกว่าห่วงสังขารตัวของท่านเองเหรอกแต่จริงการมีชีวิตอยู่เนะี่ยก็เพื่อเพื่อการนี้แหละนะเพื่อการที่จะช่วยคนให้พ้นทุกข์ได้มากที่สุดเท่าที่ทาได้นี่คือเป็นจิตที่ที่มีจะเรียกว่าเป็นโพธิสัตว์ก็ได้เนาะแต่เป็นโพธิสัตว์ที่มีปัญญาด้วยนะที่ ตัวท่านเองก็คงไม่ได้ทุกเลืออาจจะทุกก็น้อยอยู่เนี่นะก็มีความปรารถนาดีกับทรัพชีวิตได้ซึ่งพอมาได้ยินเรื่องราวธรรมนองเนี้ยมาก็รู้สึกว่ามันมันเป็นความเชื่อมโยงกันของของการปฏิบัติธรรมของเราเหมือนกันแหละนะเมตตากับปัญญานะมันไปได้วยกันได้นะแล้วมันก็ส่งเสริมซึ่งกันและกันด้วยนะ ก็อยากให้เราได้เอาไปใช้นะในชีวิตจริงของเรานะซึ่งมันต้องเผชิญกับอะไรบ้างนะมันก็ไม่รู้นะอคล้ายๆเหมือนเราต้องออกเรือนะออกเรือนะออกไปแล้วจะเจอคลื่นลมพายุขนาดไหนเนะี่ยเราไม่รู้หรอกน ะ, ะที่จริงพระพุทเจ้าก็เปรียบเสมือนว่าเราชีวิตเรานะเหมือนกับเราอยู่ ทำกลางมหาสมุทรนั่นแหละนะเราเองใช้เรือนะเพื่อที่จะข้ามฟากนะให้มาถึงฝั่งนะเราต้องใช้เรือก็คือใช้ธรรมะทั้งหลายนะที่เป็นคุณธรรมเป็นจ ร, ริยธรรมหรือเป็นสติเป็นปัญญาอะไรก็แล้วแต่เราต้องใช้ธรรมะเหล่านั้ น, นเหมือนเป็นเรือนะที่พาเราผ่านคลื่นพายุฝนต่างๆ่างนะ อ่าล่องลอยเข้ามาสู่ฝั่งนะเมื่อถึงฝั่งแล้วเราก็ทิ้งเรือนะั้นขึ้นฝั่งด้วยความปลอดภัยเพราะถึงที่สุดพระพุทธเจ้าบอกว่าเนะี่ยทำทั้งลายนะก็เรียกว่าสัพเพ ธ, ธรรมานารังอภิณเวสายะนะทำทั้งลายทั้งปวงนะก็ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นนะคือเมื่อถึงฝั่งแล้วเราเร า, เราทิ้งเรือขึ้นฝั่งนะ คือความไม่ยึดมั่นถือมั่นในธรรมะทั้งหลายเนี่ยมันคือขั้นสุดท้ายนะไม่ใช่ตอนนี้นะไม่ใช่มาไม่ยึดศีลไม่ยึดสมาธิไม่ยึดสติไม่ยึดเมตตาอะไรต่างๆไม่ได้นะมันเหมือนเราทิ้งเรืออยู่กลางมหาสมุทรนั่นแหละนะโอกาสตายนี่ยเยอะมากนะว่ายน้ำขึ้นมาไม่ได้นะต้องใช้เรือเข้ามาก่อนนะใช้ศีลใช้สมาธิใช้สติใช้ปัญญานะเพื่อมาถึงฝั่งก่อนนะ พอถึงตอนนั้นแล้วก็สัพเพ ธ, ธ ร, รมานาดังอภินิเวสายะนั่นแหละนะทำทั้งหลายก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นละนะปล่อยวางทุกอย่างนะนะคือเราต้องทำแบบนี้เนะาะก็ฝากไว้ครับนะ